หา nam สยามยุค่าที่สองว่าด้วยกองทัพกรุงสยามยกพระผลพล น, นิกายเป็นมหายุโยธาทัพใหญ่ไปกระทำศึกสงครามกับนักโกงจันร์พระเจ้ากรุงกัมพูชาทิบดีขมิ้นไม่ต่อสู้ไทยนักโกงจังนร์หนีไปพึ่งยวนกองทัพยวนยกมารบกับไทยไทยได้รบกับยวน และยวนได้กระทำมหายุทธนาการเห็นศึกสงครามกันมาช้านามประมาณถึง14ปีเศษมีข้อความพิศดารมิตรฐานในการศึกไท ย, ยวนดังจะได้แสดงต่อไปนี้หานามสยามยุทธภาพที่สองตอนที่9ก้าักสองสรยา ่กระอบมาวงนเมื่อเจ้าพยาบดินเดชาพูดอยู่กับเจ้าพยาพระคลังในขณะนั้นพอหลวงนารารณรงค์กับหลวงอนุชิตพิทักษ์ขุมเรือรบอย่างเล็กหกลำพลทหารหกสิบคนไปลาดตระเวนสืบราชการสุดยวนทางน้ำกลับมาถึงทีหลังกองตระเวนทางบก หน่วยหนึ่งจึงกราบเปลี่ยนว่าได้ลงไปลาดตะเวนถึงคลองตำบลหนึ่งขเขมร น, นําทางเรียกชื่อคลองนั้นว่าแพร่กระเพอแปลเป็นภาษาไทยว่าคลองจอดเ้ถึงที่นั่นได้เห็นทัพเรีอยวนมาทอดทุ่นอยู่ตามฝั่งน้ำในลำคลองวามนาวทั้งสองฝ้าคลองแล้วเห็นเรือรุกของยวนเป็นเรือสีสา้อมและเรือค่าย ทอดสมอขวางลำคลองเป็นสี่ชั้นชั้นในเห็นเป็นเรือเล็กมากนักตรวจ ด, ดูครู่หนึ่งแล้วจะแกวลงไปดูให้ใกล้ก็ไม่ได้เพราะเห็นเรือป้อมที่ทอดสมออยู่กลางคลองนั้นมีปืนใหญ่ทุกลาเกรงว่าจะยิงมาถูกเรือลาดตระเวนที่เป็นเรือเล็กร่มลงก็จะเสียปืนหลักขัดไฟของหลวงจึงไม่ได้ลงไปให้ใกล้เรือรบยวนแล้วขมนผู้นาทางบอกว่า ที่ปากคลองแพร่กระเพอคือคลองจอดแค่นี้มีทางมาแต่เมืองล่องห้วยมีท่อได้เกรงว่ายวนจะนำเรือเล็กแก้วมาจาับเรือลาดตะเวนไทยไปก็จะเสียราชการจึงไม่กล้าอยู่ช้าได้ก็รีบกลับมาโดยเร็วขณะนั้นเจ้าพระยาบรินเดชาได้ทราบข่าวทับศึกยวนทั้งทางบกและทางน้ำดังนั้นแล้วจึงพูดกับเจ้าพระยาพระ หลวงนายทัพนายกองฝ่ายบอกว่าครั้งก่อนก็ไม่สมคิดครั้งนี้ก็จะไม่สมคิดอีกเล้าเพราะครั้งก่อนนั้นทัพเรือเจ้าพระยาพระคังไม่ยกหนุนทัพ บ, บกลงไปให้ทันท่วงทีจึงเสียรีพลทัพ บ, บกและทัพเรือกองหน้าพากันล้มตายเสียครั้งก่อนนั้นก็มากและครั้งนี้ก็หน้าที่กลัวจะเป็นเช่นครั้งก่อนอีกเล้าเพราะว่า ทัพเรือเจ้าพระยาพระคลังยกมาช้าไปสิบเอ็ดวันสิบสองวันไม่ทันท่วงทีแก่ยวนยวนรีบยกทัพ บ, บกทัพเรือมาตั้งค่ายสกัดหน้าอยู่ตามรายทางที่เราจะลงไปไส่งอนนั้นก่อนได้ก็เพราะมีน้ำหลากมามากเรือใหญ่ของยวนมาสบายเราจะทำศึกกับยวนอย่างนี้เป็นที่หนักใจหนักแรงแก่ไพฑพลพทหารของเรานัก เพราะเจ้าพระยาพระคังมาช้าไปไม่ทันยวนยวนมาตั้งรักเสียก่อนถ้าและว่าทัพเรือเจ้าพระยาพระคังจะยกมาถึงในเดือนสี่ข้างแรมอเก่าหรือเดือนห้าข้างขึ้นอ่อนเพียงขึ้นสามค่ำสี่ค่ำตามที่เรากาหนดสั่งไปนั้นก็จะได้ยกลงไปทันท่วงทีโดยสะดวกคงจะไม่พบไข้บกและทัพเรือยวนตามรายทางที่จะลงไปเมืองใส้งอนนั้นถึงมากว่า จะพบข่ายบกและทัพเรือของยวนตามรายทางบ้างก็จะได้พบกองทัพยวนในที่ใกล้เมืองไส่ง่อนของทัพไทยทั้งทางบกและทางเรือก็จะได้รบกับยวนบ้างแต่จะเบาแรงทหารลงมากถ้าว่าทัพไทยไปใกล้เมืองไส่ง่อนแล้วก็จะได้เห็นกองทัพองค์พอเบคยลันเบียเจ้าเมืองไส่ง่อนนั้นคงจะยกออกมาตีทัพยวนเมืองเว เป็นทัพขนาบกับทัพไทยด้วยไทยจะได้ช่วยกันกับทัพองค์พอเบโคลันเบียเป็นสองแรงขึ้นก็จะได้ตีทัพยวนเมืองเวให้แตกไปคงจะทนอยู่สู้ไม่ได้เป็นแน่แต่เห็นว่าครั้งนี้ก็คงจะไม่สมดังคิดแล้วเพราะทัพเรือยกมาช้าไปสิบสองสิบสามวันทัพยวนจึงยกทัพเรือทัพบกมาตั้งสกัดทางรับทัพไทยอยู่ที่ต้นทางเป็นหลายแห่ง ฝ่ายเราทําการศึกกับโยนครั้งนี้เหมือนทางทางรกและทางป่าลงไปเมืองไส้งอนหรือจะว่าอย่างคําโบราณก็ว่าดังกริ้งครกขึ้นภูเขาเหมือนทัพเราจะไปไส้งอนครั้งนี้กว่าจะถึงเมืองไส้งอนก็คงจะต้องลำบากยากแก่ไพรพลและหนักใจนายทัพนายกองหรือเปรียงสติปัญญาแม่ทัพด้วยเจ้าพระยาบดินเดชา พูดดังนี้ต่อหน้าเจ้าพระยาพระคลังดังนั้นแล้วจึงสั่งให้เจ้าพระยาพระคลังยกทัพเรือไปในค่าวันนั้นครั้งนั้นทัพเรือกองหน้ายกไปถึงที่ปราคลองสามแยกในคลองวามนาวใกล้ค่ายยวนทัพเรือที่จอดสมอขวางอยู่กลางลําน้ํานั้นก็ยิงปืนใหญ่หน้าเรือป้อมมาเป็นสามารถทัพเรือไทยตั้งเป็นหน้ากระดานแหวยงลงไปใกล้ค่ายเรือยวน ยวนก็ยิงปืนใหญ่หน่าเรือโตอสอบกันไปมาครั้งนั้นเรือรบพรยาระยองและพระยาชนบุรีเป็นเรือเร็วและเป็นผู้กล้าหาญจึงไล่ให้คนแจวรีบไปถึงหน้าค่ายยวนพระยาระยองสั่งให้ทหารนำปืนรายแคมมาประดาที่หน้าเรือแล้วยิงวางปืนใหญ่ไปถูกเรือรบยวนและค่ายบกยวนแต่ขักเสียหายเป็นอันมากพระยาชนบุรี ก็แจวเรือรบขวางลำเป็นแถวแถวสี่ลำจุดปืนรายแคมขึ้นพร้อมกันเป็นปืนตับตับละสี่สิบนัดยิงติดติดกันไปเสมอตักครู่หนึ่งเรือรบยวนก็ถอยหลังลงไปกระสุนปืนใหญ่ไปตกถูกเรือแตกมากถูกคนยวนล้มตายในเรือและบนบกก็มากครั้งนั้นยวนต่อรบรักษาเรือจนผู้คนล้มตายมากนะัก ด้วยที่ค่ายบกและเรือป้อมยวนนั้นยังไม่มีปืนใหญ่ทางไกลมากเหมือนอย่างทัพไทยทัพไทยก็วางปืนใหญ่ไปเสมอไม่หยุดฝ่ายยวนในเรือค่ายและเรือป้อมก็ถอยล่าไปบางสีสาแหลมเสียหลายสิบลาแต่ยวนในค่ายบกฝั่งตะวันตกนั้นเห็ <c oughs> นว่าทัพเรือไทยมีปืนใหญ่ยิงมาได้โดยทางไกลกระสุนปืนมาตกถึงค่ายยวนยวนเห็นจะตั้งอยู่ในค่ายสู้ไม่ได้ ยวนจึงเก็บเครื่องศาสตราวุธและสเสบียงอาหารแล้วต้อนคนในค่ายบกยกลงเรือรบที่หลังค่ายโแหลมนั้นพร้อมกันแล้วก็ถอยทัพเรือหนีไปหิ้งค่ายบกปากคลองสามแยกในคลองวามนาวเสียทั้งสองค่ายทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกแต่ยวนไม่ทันจะเผาค่ายทั้งสองนั้นเสียเพราะเป็นการจวนตัวรีบจะรากถอยหนีไปโดยเร็วฝ่ายทัพเรือไทยกองหน้าที่กราหารยกล่วงลงไปก่อนสองกองนั้น คือพระยาระยองหนึ่งพระยาชนบุรีหนึ่งเป็นสองกองเรือรบ ถ, ถึงหกลำยกลงไปถึงหน้าค่ายยวนที่นี้นั้นก่อนกองอื่นแต่ว่าไม่ยกขึ้นบกเข้าไปในค่ายเดิมเป็นคนกล้าครันมาถึงหน้าค่ายยวนกลับใจเป็นคนขาดไปเสียเพราะพระยาทั้งสองคิดเห็นไปว่ายวนแกล้งทําอุบายทิ้งค่ายเสียแล้วก็จะแอบซุ่มอยู่ในค่ายแต่พอไทยขึ้นบกเข้าค่ายยวน ก็จะไล่ฆ่าฟันแทงไทยตายเหมือนเมื่อครั้งเจ้าพระยาโกษาเหล็กในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์กรุงเก่ายกไปทําศึกกับพมา่าแกล้งทามารยาถิงค่ายหนีเช่นยวนนี้แล้วพม่าออกมาเข้าในค่ายไทยไทยฆ่าพม่าตายจะนับประมาณไม่ได้เป็นเยี่ยงอย่างมาแต่โบราณแล้วครั้งนี้เห็นทียวนจะทํกุญญาบายอย่างเช่นเจ้าพระยาโกษาเหล็กบ้างเป็นแน่เพราะฉะนั้น พระยาระยองและพระยาชนบุรีคิดดังนั้นแล้วจึงไม่ได้ขึ้นบกยกเข้าไปในค่ายยวนพากันจอดแอบที่ฝั่งท้ายหน้าค่ายยวนรอดูชั้นเชิงศึกยวนก่อนแล้วก็จะรอค อ, อยเรือรกลองพระยาเดโชทายน้ํามาถึงเมื่อใดจะได้ขึ้นพร้อมกันเป็นคนมากจะได้ขึ้นด้วยกันเมื่อนั้นจึงจอดเรือนิ่งเฉยฝ่ายยวนในค่ายทิ้งค่ายหนีออกทางหลังค่าย ไปแอบอยู่ที่ริมฝั่งน้ําจะลงเรือรบหนีไปครั้นเห็นว่าทัพเรือไทยยกมาถึงหน้าค่ายยิงปืนมาในค่ายจนต้องหนีแล้วไทยในเรือรบก็ไม่ขึ้นบนบกมาในค่ายนั้นเห็นทีกระสุนปืนจะหมดจึงจอดแอบสลิ่งนิ่งอยู่ไม่ขึ้นมาพวกยวนที่แตกหนีไปหลังค่ายเห็นไทยไม่ขึ้นบกแล้วยวนก็ยกพากันกลับมาเข้าค่ายอย่างเดิมเก็บเครื่องตาดตะาวุธกระสุนดินดําที่เหลืออยู่ในค่ายนั้น พากันขนแบกขามนําไปลงเรือรบจนหมดค่ายทาดังนั้นฝังค่ายฝั่งตะวันออกและค่ายฝั่งตะวันตกแล้วยวนก็เผาค่ายที่อยู่ฝั่งตะวันตกเสียทุกค่ายเพราะล่าถอยหนีไปไม่ให้ไทยเข้าอาศัยในค่ายเป็นกําลังได้แต่ค่ายฝั่งตะวันออกนั้นยวนเผาไม่ทันเพราะเรือพระยาระยองพระยาชนบุรีอยู่ที่นั่นเมื่อขณะไฟไหม้ค่ายยวนฝั่งตะวันตกนั้นแสงไฟสว่างมาถึงท้องทุ่ง ฝ้าฟังตะวันออกครองวามนาวขณะนั้นผอกองทัพ บ, บกฝ่ายเจ้าพระยาบดินเดชายกมาถึงท้องทุ่งวามนาวแล้วเจ้าพระยาบดินเดชาได้ยินเสียงปืนใหญ่ไทยกับยวนยิงโต้อตอบกันอยู่ช้านานประมาณสามสี่ชั่วโมงแล้วก็เงียบเสียงปืนสงบลงครู่หนึ่งแล้วได้เห็นแสงไฟสว่างขึ้นข้างทิศตะวันตกเป็นควันพุ่งพุ่งขึ้นไปจากท้องฟ้าเป็นขอบควันมืดไปก็เข้าใจว่า ยวนเผาค่ายของมันเป็นแน่ธรรมดาว่าทำศึกกันแล้วถ้าข้างไหนเผาค่ายของตัวแล้วก็ย่อมจะเสียทีล่าหนีไปเป็นมั่นคงครั้งนี้ยวนเผาค่ายเสียแล้วเห็นทีจะหนีไปเป็นแน่จึงมีบัญชาสั่งให้หลวงเสหีพิทักษ์ขึ้นมาเร็วสวนทางลงไปสั่งทับหน้ากองพระยาราชชสงครามให้เร่งต้อนพลทหารเข้าโจมตีค่ายยวนให้แตกโดยเร็ว ในประเดี๋ยนี้ให้ได้ฝ่ายพระยาราชสงครามแม่ทัพหน้ากองบกยกลงไปยังไกลกับค่ายยวนจึงสั่งให้หลวงภูเบศขึ้นม้าเร็วนำม้าหลวงเสนีพิทักษ์ไปสั่งกองทัพช้างพระยาเพชราชาที่ยกล่วงหน้าลงไปก่อนเกือบจะถึงค่ายยวนอยู่แล้วให้กองพระยาเพชราชาคุมทัพช้างเข้าร้อมค่ายยวนไว้ก่อนกว่าทัพพระยาราชสงรามจะยกลงไปถึง จะได้ช่วยกันตีข่ายยวนให้แตกไปสิน้ขนขณะนั้นกองทัพช้างพระยาเพชราชาก็ยกเข้าล้อมข่า ย, ยวนไว้รอบทุกข่ายตามฝั่งตะวันออกแต่พระยาเพชรักกับพระวิชิตสงครามข้าหลวงในพระราชวังบวรกากับทัพพระชัยสงครามคุมพลขมิห้า้อยนั้นไปถึงก่อนทัพช้างพระยาเพชราชาทัพขมินเห็นว่าทัพช้างยกเข้าล้อมอยู่แต่ห่างไกลนัก แลไม่เห็นหยวนออกต่อสู้นอกค่ายพระชัยสงครามขมิ้นก็เข้าใจว่ายวนทิ้งค่ายหนีเสียแล้วพระชัยสงครามขมิ้นพร้อมด้วยพระยาพิชรัต์พระวิชิตสงครามข้าหลวงไล่ต้อนไพรพลขมิ้นห้าร้อยยกเข้าไปในค่ายยวนก็ไม่เห็นผู้คนยวนมีรักษาค่ายอยู่ทุกค่ายณที่ค่ายฝั่งสวรรค์ออกเพราะฉะนั้นกองทัพขมิ้น จึงเก็บได้เครื่องศาตราวุและเสบียงอาหารของยวนในค่ายทั้งสิน้นกองทัพทางและทัพไทยทุกกองฝ่ายกองทัพพระยาเกียรติพระยารามขุมทัพปรามัน 2,000 คนยกลงไปก่อนทัพขมินได้ยกแยกลงไปทางสีตะแหลมใต้ค่ายยวนก็พอเรือรบยวนกำลังมาเทียบท่าหลังค่ายยวนยวนขนสัพพวุธลงเรือรบนั้นทัพปรามันก็ยกจู่โจมโถมเข้าตีทัพเรือยวนยวนก็หนีไปได้มาก ที่หนีไม่ทันพวกรามันยิงแทงฆ่าฟันยวนตายเป็นกองๆตามตะลิ่งแล้วเก็บได้เครื่องศัตราวุธที่ขนลงเรือไปไม่ทันนั้นได้มากและจับได้เรือรบยวนแปดลำจับได้ยวนเฉลยเป็นมายีสิบห้าคนจึงพระยาเกียรติพระยารามก็ให้สมิงรามันขุมไพรไปส่งยวนเฉลยมายังกองทัพใหญ่เจ้าพระยาบรินเดชาเจ้าพระยาบรินเดชาสั่งให้หลวงสุริยามาศ นำยวนยี่สิบห้าคนไปติดหมายเคี้ยนถามให้ได้ข้อความทัพศึกยวนยวนให้การว่าเมื่อทัพเรือไทยยกลงมาก่อนหกลำนั้นนำปืนใหญ่ยิงลงไปในค่ายยวนยวนไม่มีปืนใหญ่ทางไกลจะยิงโต้ตอบบ้างจึงได้ล่าถอยออกจากค่ายหนีไปหลังค่ายหมายจะลงเรือรบหนีไปแต่ตัวรอดขณะนั้นยวนเห็นว่า ทัพเรือรบไทยหกลำจอดเสียที่ท้ายค่ายไม่ขึ้นมาบนบกยกเข้าไปในค่ายยวนยวนก็พาการเก็บเครื่องสาตราวุธและเสบียงอาหารในค่ายขนลงเรือรบหนีไปได้บ้างหลายสิบลำยังแต่พวกข้าพเจ้านี้ยังหนีไม่ทันกองทัพรามันจึงจับมาได้ยี่สิบห้าคนสิ้นทําให้การยวนแต่เท่านี้ครั้งนั้น เจ้าพระยาบดินเดชาจึงสั่งให้พระมหาสงครามขึ้นม้าเร็วไปสั่งให้กองทัพปรามันยกเข้ารักษาค่ายยวนไว้ทุกตำบลตามฝั่งตะวันออกขณะนั้นกองทัพเรือพระยาเดโชท้ายน้ำยกลงมาถึงค่ายยวนบามนาวจึงเห็นเรือพระยาระยองกับเรือพระยาชนบุรีกองหน้าที่ยกล่วงหน้าลงมาก่อนนั้นจอดเรือนิ่งอยู่กับฝั่งไม่ขึ้นบกยกเข้าในค่ายยวนจนยวนกลับมาขนของในค่ายไปหมด แล้วก็เผาค่ายที่ฝั่งตะวันตกเสียสิ้นพระยาเดโชททยนามเห็นดังนั้นแล้วจึงสั่งให้หลวงโจมจตุรงลงเรือเล็กแปดแจวไปหาตัวพระยาระยองกับพระยาชนบุรีมาถามได้ความตามคำให้การสารภาพรับผิดว่ากรัวยวนจะแต่งกลอุบายแอบอยู่ในค่ายให้ไทยขึ้นบกแล้วยวนก็จะยกออกมาฆ่าไทยเสียดังเช่นทัพเจ้าพระยาโกสาเหล็กครั้งกรุงเก่าทาแกะพมานั้น พระยาเดโชไทยนามนายกองทับหน้าได้แจ้งความตามคำให้การดังนั้นแล้วจึงว่าพระยาทั้งสองนี้เจ้าความคิดคิดต่างๆหรูมากยากนานจะเลี้ยงไว้เป็นลูก ป, ปองไม่ได้จะพาให้เสียราชการพูดเท่านั้นแล้วจึงสั่งขุนสีรนรงค์ให้พาตัวพระยาระยองกับพระยาชนบุรีทั้งสองคนมัดใสกระสอบทวงน้าเสียที่ในคลองวามนาวก็ถึงแก่ความตายทั้งสองคน แล้วพระยาเดโชท้ายน้ำมีหนังสือบอกข้าราชการที่ข้าพระยาทั้งสองนั้นให้ขุนอินทร์สังหารคุมเรือเล็กถือหนังสือบอกมาส่งให้เจ้าพระยาพระขังแม่ทัพใหญ่ฝ่ายทัพเรืออานามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่เกาจัสองพระยาใส่กระสอบมัดปากถ่วงน้ำ กำลังเข้มข้นไปทุกขณะโปรดติดตามต่ อ, ตอไป